ผู้มีชันทะศรัทธาในการฟังธรรมเพื่อน้อมนำประโยชน์แห่งธรรมะเข้ามาสู่ชีวิตของท่านในระดับต่อไปนี้อัตรมรภาพจะได้นำชีวประวัติของพระมหากรสปเทระมาแสดงต่อจากการบรรยายขาวที่แล้วซึ่งโดยสรุป ก็คือในคราวที่แล้วได้กล่าวถึงเรื่องของพระเจ้าอโศกมหาราชที่จะได้ทำการบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระสมาสัมพุทธเจ้าเป็นเวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจึงไดอาราธนาให้พระอุปคุธมาช่วยป้องกันภัยอันจะเกิดจากพยามานมีการ ต่อสู้กันระหว่างพญามารกับพระอุปคุตจนในที่สุดพระอุปคุตเถระก็ได้เนรมิตสุนักเน่ามีกลิ่นเหม็นคลุ้งที่สุดทั้งเต็มไปด้วยหมูหนอนมองดูแล้วหน้าขยะขยงให้ผูกติดไว้ที่คอพญามารพร้อมกับอธิษฐานจิตว่าไม่ว่าบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดจะเป็นเทพพายดาหรือพรม ก็ตามทีขออย่าสามารถที่จะปลดเปลื้องหรือแก้ออกได้เลยพยาามานก็พยายามที่จะไปขอความช่วยเหลือจากเท้าจาตุมมหาราชก็ไม่สามารถช่วยได้ไปหาพระอินเท้าสุยามาเท้าสันดุสิตเท้าสหัมบดีมหาพรหมก่าวขอร้องอ้อนวอนให้ช่วยแก้สุนักเน่าออกจากคอของตน เทวดาทั้งหลายรวมทั้งเท้าสามบดีพรมก็บอกกับพญามารว่าไม่อาจจะแก้สุนักเน่าออกได้หรอกเพราะพระภิกษุรูปนั้นเป็นพระรหันต์ผู้ได้อภิญยาหกประการเป็นพุทธสาวกผู้ประกอบด้วยมหิตที่เดชคือมีเดชอันยิ่งใหญ่พวกเราไม่อาจแก้พันธนาการของท่านได้ท่านจงกลับไปที่สำนักของพระภิกษุรูปนั้นเถิดแล้วกล่าวขอร้องท่านด้วยวาจาอันสุภาพอ่อนหวาน <S <S ท่านจะช่วยแก้ออกให้เองส่วนผู้อื่นนั้นเกรงกลัวอนุภาพของท่านไม่มีใครกล้าที่จะแก้ออกให้ได้พญามารได้ฟังคําบอกเล่าของเทวดาและพรหมทั้งหลายแล้วก็เกิดดัน ท, ท้อใจสิ้นความคิดหมดที่พึ่งไม่รู้จะไปหาใครให้ช่วยเหลือได้อีกเนี่ยถึงจะเป็นพญามารแต่มันก็มีกิเลสรักตนเอง ไม่อยากให้ได้รับความทุกข์โดยเฉพาะไอ้ความทุกข์ที่ไม่มีใครช่วยได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กิเลสมันเกลียดที่สุดเลยคือก็คือไอ้ความโกรธนั่นเองนะมันเกิดขึ้นแล้วว่าเรานี่หมดที่พึ่งเสียแล้วจึงต้องจําใจกลับมาหาพระอุปคุดเถระซึ่งที่ตัวเองก็เกลียดเหลือเกินเพราะว่าเป็นผู้ที่ทรมานพยาบาท พร้อมกับสุนักเน่าที่ผูกติดอยู่ที่คอด้วยความอับอายอย่างยิ่งก็เข้าไปกราบแทบเท้าของพระมหาเถระก็จำเป็นแล้วนะรักตนเองเนี่ยไอ้ตันหามันก็สั่งว่าไปเถอะไปคารวะท่านเถอะลดมานะเถอะอย่าไปเป็นคิดเป็นศัตรูกับท่านเลยแล้วก็กล่าวสารภาพผิดอ้อนวอนด้วยวาจา อันสุนทรีภาพนานาประการพร้อมทั้งอาราธนาว่าพระผู้เป็นเจ้าจงช่วยกรุณาปลดเปื้องสุนักเน่านี้ให้ด้วยเถิดพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ชนะส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้แพ้จะไม่คิดต่อสู้กับพระผู้เป็นเจ้าอีกแล้วพระมหาเถระพิจารณาเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่ควรจะจับพยามารมัดไว้ก่อนจนกว่างานมหากรรม การบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าอาโศกมหาราชจะเสร็จสิ้นจึงกล่าวว่าดูก่อนพญามารท่านจงไปที่ภูเขานั้นพญามารก็รีบไปที่ภูเขาพระมหาเถระได้ตามไปแก้เอาสุนักเน่าออกให้แต่เห็นว่าควรจะมัดพญามารไว้ก่อนจึงแกร้รัดประคตคือคือพระเนี่ยเขาไม่มีเข็มขัดเขาก็ใช้ผ้าเนี่ยมาผูก มาผูกผ้าสบงไว้ที่เอวเขาเรียกรัดประคตนั่นเองจึงแก่รัดประคตออกจากเอวของท่านแล้วอธิษฐานจิตให้รัดประคตนั้นยาวพอที่จะมัดพญามารติดกับภูเขาแล้วจัดการผูกมัดรวบไว้กับภูเขาอย่างมั่นคงพร้อมกับบอกพญามารว่าดูก่อนพญามารเอ๋ยท่านจงอยู่ที่ภูเขานี้ รอจนกว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชจากทรงกระทำมหามหากรรมสักการะบูชาพระเจดีย์และพระอารามจนแล้วเสร็จอาตมาจึงจะมาแก้มัดออกให้พญาวัดสวดีมานจำต้องถูกผูกมัดติดกับภูเขาเป็นการประจานด้วยโทษฐานเป็นผู้มีใจบาปคอยขัดขวางและทำลายการกระทำความดีของผู้อื่น ฝ่ายพระอุปคุตเถระเมื่อจัดการกับพญามารให้ยอมจำนนแล้วท่านก็ไปพักสำราญกิริยาบทอยู่อย่างผาสุกงานมหากรรมฉลองพระมหาเจดีย์บูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอารามของพระเจ้าอาโศกมหาราชเมื่อปราศจากพญามารมาขัดขวางจึงดำเนินไปอย่างราบเรียบสะดวกจนกระทั่งครบกำหนด7ปี7เดือนเจวัน สำเร็จสำเร็จลงโดยเรียบร้อยดีมากเป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจของพุทธบริษัททุกทั่วหน้าเนี่ยคนที่จะไปสวรรค์ก็จงบูชาพระเจดีย์อย่าได้ละเลยเสียเราก็ควรจ ะ, ะระลึกถึงความดีของพระพุทธ เ, ทเจ้าที่มีต่อพวกเราทั้งหลายว่าแม้ปริณิพานแล้ว เราเรารึกด้วยความเคารพด้วยความกระตันอยู่เอาดอกไม้สักดอกไปบูชาก็จะมีผลทำให้เราไปเกิดในสุขติภูมิคือในมนุษย์และในสวรรค์เนี่ยนับชาติไม่ได้ทีเดียวแม้ท่านปรินิพานนานแล้วนี่เขายัางเกื้อกูลเราได้อยู่เมื่องานฉลองเสร็จสิ้นลงพระอุปคุดเถระจึงไปยังภูเขาที่มัดพยามารไว แต่ได้กำบังกายของท่านอยู่เบื้องหลังเพื่อจะฟังว่าพญามารกล่าวว่าอย่างไรคือไม่ให้พญามารเห็นส่วนพญามารนั้นได้ละพยศหมดความดุร้ายอยู่ตั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะถูกมัดอยู่ก็กลับหวนคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าถึงพระคุณของพุทธเจ้าทีเดียวนะทาไมถึงคิดละ่ะ ก, ก็ฟังความคิดของพญามาร คือกาวล้ำพันสรรเสริญขึ้นว่าสมัยเมื่อพระพุทธองค์ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะเป็นเพียงพระโพธิสัตว์ประทับนั่งเหนือรัตนบัลลังก์นาภายใต้ต้นพระสีมหาโพข่าพระบาทมิอาจจะอดกั้นความโกรธไว้ไดนะ้ก็มีความโกรธความดิษยาพระพุทธเจ้าจึงกว้างจากอันคมกล้าที่สามารถจะตัดวชิระบรรพศคือภูเขา ที่ทำด้วยเพชรเนี่ยให้ขาดไปได้ราวกับตัดหน่อไม้ไผ่ฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงพิจารณาพระบารมี30ประการมีทานเป็นเบื้องต้นและมีอุเบกขาเป็นที่สุดก็กล่าวสัจจาอธิฐานนะนะไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วก็ยกเอาทานบา ร, รมีที่พระองค์ได้ทรงทรมาเป็นต้นนั่นแหละเป็นที่พึ่ง ซึ่งก็เป็นข้อยืนยันเลยว่าที่พึ่งของตัวสัตว์โลกทั้งปวงเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากบารมีของตนเองอย่าไปหวังพึ่งบารมีหรือว่าบุคคลอื่นเป็นอันขาดจงพึ่งบารมีของตัวเราเองนี่แหละสมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วว่าตนแหละเป็นที่พึ่งของตน ใค่เล่าจะเป็นที่พึ่งให้ได้นะก็บุคคลมีตนฝึกดีแล้วจึงได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากคือพระนิพพานเมื่อพระพุทธเจ้าอธิษฐานบา ร, รมีอย่างนี้จากที่พยามารขว้างมาก็พลันกลับกลายเป็นดอกไม้กั้นเป็นเพดานอยู่เบื้องบนกลายเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าดอกดอกไม้เป็นจำนวนมากกั้นเป็นเพดานอยู่เบื้องบน ส่วนพวกพลบริวารได้พากันคว้างอาวุธต่างๆแล้วอาวุธเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นพวงบุปพชาติคือพวงดอกไม้ตกลงยังพื้นดินในที่สุดข้าพระบาทก็ต้องพ่ายแพ้อันนี้เป็นอดีตนะเป็นอดีตที่เขาระลึกถึงแล้พญามารก็ระลึกถึงพระพุทธคุณคือคุณพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเกิดความศรัทธาเลื่อมใสยอย่างแรงกล้าจึงกล่าวคาถา เป็นภาษาบาลีว่านามโมเตปุริสาชัญญาเป็นต้นแปลความเป็นภาษาไทยซึ่งน่าฟังและน่าทราบซึ่งมากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกระทำประโยชน์แก่สรัรพพสัตว์และเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งปวงผู้หาที่พึ่งไม่ได้สิ้นกาลนานพระพุทธองค์ทรงประเสริฐด้วยคุณหาผู้เสมอไม่ได้ จงมาเป็นที่พึ่งของข้าพระบาทในบัดนี้ในการก่อนค่าพระบาทชื่อว่าวัดสวดัตดีกระทาอันตรายแก่พระองค์โดยวิธีการหลายหลากมากอย่างพระองค์ก็ไม่ได้ทรงกระทำโทษตอบโต้แก่ข้าพระบาทเลยแม้แต่เพียงน้อยก็ไม่เคยมีแต่การบัดนี้ ภาษาพวกของพระองค์ช่างไม่มีเมตตากรุณาลงโทษหนักแก่ข้าพระบาทให้ได้รับทุกแสนสาหัสเห็นปาล์ชนี้เขาระลึกไปถึงพระคุณพระพุทธเจ้าคือระลึกถึงอะไรก่อนก็ระลึกถึงพระมหากราบิคุณก่อนเพราะว่าเขามีความทุกข์เขาก็สงสารตัวเขาเองก็ปรารถนาจะพ้นทุกข์พอระลึกได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้กรุณา ต่อสรรัตว์สาททั้งปวงเป็นที่พึ่งคือช่วยให้สรรัตว์ประสาทพ้นทุกข์ได้จริงของบรรดาสัตว์ที่ไม่มีที่พึ่งคือพวกเราเนี่ยถ้าไม่ไม่สามารถที่จะรู้พระคุณพระพุทธ เ, ทเจ้าก็จะไม่ฟังธรรมเมื่อไม่ฟังธรรมก็จะไม่สามารถปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นข้อปฏิบัติ ที่จะทําให้เราได้พบที่พึ่งอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเท่ากับว่าที่พึ่งได้เกิดขึ้นที่จะกําจัดทุกขมีความเกิดความแก่ความตายเป็นต้นเหล่านี้ให้สิ้นไปถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดเราก็ไม่มีที่พึ่งเพราะฉนั้นพระพุทธองค์จึงเป็นผู้สูงสุดด้วยพระคุณไม่มีผู้เสมอเขามีความทุกข์เขาก็หาที่พึ่งเขาจึงกล่าวว่า จงมาเป็นที่พึ่งของข้าพระบาทในบัดนี้แล้วเขาก็คิดต่อไปว่าสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นั้นเขาก็พยายามทําอันตรายต่อพระพุทธเจา้าแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้โกรธตอบและทําอันตรายหรือทําโทษเขาตอบเลยแต่ว่าบัดนี้เนี่ยภาษาวกของพระองค์เนี่ยไม่มีเมตตากรุณาเหมือนพระองค์คือเขาเขาว่าพระอุปปุธเนี่ยขาดความเมตตากรุณา จึงมาลงโทษหนักแก่ตัวเขาเองข้าจะรับทุกทรมานถูกหมาเน่าแล้วก็ยังมาถูกผูกติดอยู่กับวูเขาอีกอันนี้มันเป็นธรรมดาของกิเลสกิเลสนมันไม่พยายามจะมองเห็นโทษตัวเองก็ถ้าพยายามมาไม่มาอิจฉาไม่มาลิสยาไม่มาทำลายพิธีกรรมมาหาบูชามหามหากรรมบูชาพระเจดีย์พระบรมสารีราต์แล้วก็จะไม่เป็นอย่างนี้คือจะไม่ถูกพระอุปคุตมาทาละทรมาน มาทำให้ต้องลำบากถ้าพยามานมีจิตอนุโมทนาเรื่อมใสด้วยก็คงจะได้บุญยิ่งแต่นี่กลับมาเกิดความอิจฉาริษยาเพราะฉะนั้นก็ลืมไปว่าที่ตัวเองได้รับความทุกข์เนี่ยมันเป็นเพราะกิเลสของตัวเองกลับไปคิดถึงว่าเป็นเป็นโทษของพระอุปคุตที่ไม่มีเมตตากรุณาเหมือนพระพุทธเจ้า เมื่อคิดอย่างนี้แล้วพยาวัสวัสดีมานผู้มีทุกข์โทมนัตเสียใจยิ่งก็เอาเท้าทั้งสองทีภูเขานั้นให้เกิดอาการวันไหวต่างๆทั้งเบื้องบนเบื้องล่างลาวจะถล่มทลายลงมาฉับพลันแม้ภูเขาสิเนรุลาชก็น้อมยอดวันไหวประดุดต้นไม้เมื่อเมื่อต้องลมพายุแผ่นดินก็สะท้านสะเทือนดังสนัน่นลาวกับเกิดแผ่นดินไหวใหญ่และมหาสมุทร ก็เกิดเป็นละลอกกระชอกกระชอนเหมือนกับเกิดพายุใหญ่ฉะนั้นพญามารได้เปรียบเทียบพระคุณของพระพุทธเจ้าว่ามีพระมหากรุณาธิคุณต่อตัวเขาเองอย่างยิ่งไม่เหมือนกับพระอุปคุตนะซึ่งทรมานเขาแล้วพญามารก็กลับมาละลึกถึงพระขันติธรรมความอดกลั้นไม่โกรธตอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเปล่งอุทานว่า ถ้าหากข้าพระเจ้ามีกุศลได้สร้างสมไว้แล้วดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บำเพ็ญบุญบารมีไว้เพื่อการตัดสรู้ในอนาคตการชันใดขอข้าพระเจ้าจงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นในโลกนี้ชันนั้นเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งแห่งสรรพสัตว์และกระทำประโยชน์โปรดเวนัยสัตว์ทั้งปวงในสากลโลก คือเมื่อเรารึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าก็ยิ่งเลื่อมใสศรัทธานั่นแหละยิ่งเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้ายิ่งรักพระพุทธเจ้าด้วยอํานาจศรัทธาด้วยอํานาจปัญญาด้วยอํานาจเมตตาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกแท้จริงบารมีของพระองค์นั้นบําเพ็ญมาเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกด้วยอํานาจอันนั้นแหละทําให้เขาปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาทีเดียว เพราะใครก็ตามเนี่ยที่มาเจริญพุทธานุสติอย่างแรงกล้าก็จะเกิดศรัทธาที่มีกําลังคือเลื่อมใสชอบใจนิยมเคารพนับถืออย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเขาจึงอธิษฐานเลยว่าถ้าเผื่อว่าเขามีบุญไ ด, ได้สั่งสมไว้เหมือนกับที่พุทธเจ้าได้ทําบุญบารมีมาก่อนแล้วแล้วก็ขอให้เขาเนี่ยได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่เขาจะได้เป็นที่พึ่งแห่งสรรพสัตว์ ได้ได้ทำประโยชน์ทั้งประโยชน์ชาตินี้ชาติหน้าและประโยชน์สูงสุดแก่เวเนยรสัตว์ในสากุลโลกในอนาคตด้วยอํานาจกุศลที่เกิดขึ้นในเองคือเมื่อคิดถึงคุณพระพุทธเจ้าคิดถึงพระอุปคุตมาทําร้ายเราคิดถึงตัวเราได้รับทุกเนี่ยคิดถึงความเป็นที่พึ่งของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดความ ปราถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาทีเดียวคือเป็นพระโพธิสัตว์ขึ้นมาในขณะที่พญามารเปล่งวาจาปราถนาพุทธภูมิคือปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระอุปคุตเถระได้ยินก็เลื่อมใสนะจึงแสดงกายให้ปรากฏออกแล้วก็เดินเข้าไปแก้มัดให้ทันทีพร้อมกับกล่าวกับพญามารว่าดูก่อนพญามารท่านจงอดโทษแก่อาฏมาที่อัฏมาได้ล่วงเกินกับท่าน นะคือพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ได้ท่านไม่ได้จะไปโกรธหรอกแต่ที่ท่านทองทำเพราะว่ามีเหตุผลคือไม่ให้พยามารไปทำลายบุญของผู้อื่นพยามารก็จะบาปมากไปแต่อิประการหนึ่งเป็นคู่ปรับกันมาก่อนแล้วออท่านจงอดโทษแก่อาตมาที่อาตมาได้ร่วงเกินท่านอันว่าประโยชน์ของท่านคือความปรารถนาพุทธภูมินั้นอาตมาก็ให้บังเกิดได้แล้วนะคือ ท่านได้ประโยชน์นะที่ท่านถูกอาตมาท ร, รมานเนี่ยทําให้ท่านเนี่ยตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าผูงา้ง่ายๆคือว่าเพราะอาศัยพระอุปคุตเขาจึงได้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและอาตมาขอห้ามท่านว่าอย่ากระทําอันตรายในการบําเพ็ญบุญของพระบรมกษัตริย์เลยและบัด น, นี้ท่านได้ถือปฏิญาณที่จะตับสรู้เป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าในอนาคตการแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตัวท่านจะเป็นปูชนียะบุคคลนะคือเป็นพระโพธิสัตว์ที่ชาวโลกทั้งหลายควรจะกระทำนมัสการบูชาคือใครก็ตามในี่ย้มาตั้งความปรารถนาอย่างนี้ลงไปแล้วเนี่ยแม้พระพุทธเจ้าก็ยังบูชาเพราะนั้นพวกเราก็จะต้องบูชาตอนนี้พญามารเขาก็คงยังอยู่หรอกยังอยู่ในเทวโลกของเขา่ะ เราทําบุญอะไรก็ขอบูชาความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าของพญามารด้วยนะอุทิศบุญไปให้เขาด้วยมันไม่แน่เผื่อเรายังไม่เป็นพระรหรันยังเวียนไหวตายเกิดอาจจะต้องพึ่งพึ่งพญามารที่เป็นพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ได้นะไม่แน่ทําบุญเอาไว้กันไว้ก่อนแต่เขาเป็นบุคคลน่าบูชาคือบูชาอะไรก็บูชาความปรารถนาของเขานั่นแหละ เพราะคนที่จะปรารถนาเป็นพระเจ้านั้นเป็นของหาได้ยาก ค, คือจะต้องรู้คุณและเลื่อมใสและจะต้องเสียสละทุกสิ่ง ท, งทุกอย่างที่จะบำเพ็ญบา ร, รมีคือคนที่ไม่มีฉันทะจริงๆไม่มีความพอใจจริงๆเนี่ยไม่กล้าหรอกที่จะปรารถนาแต่การปรารถนาอย่างอื่นทั้งคนปรารถนาการอยู่ปรารถนาจะเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็น เทวดาอะไรต่างๆเนี่ยปรารถนากันอยู่เพราะว่าไม่ต้องเสียสละอะไรมากทำบุญพอสมควรก็จะได้เป็นแล้วแต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างน้อยต้องยี่สิบอสงไขยอย่างน้อยๆนะพระพุทธเจ้าที่เป็นปัญญาที่กะเนี่ยฝ่ายพญามาจรจึงกล่าวตอบว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพุทธสาวกช่างกระไรไม่มีจิตใจกรุณาต่อข้าพเจ้าผู้เป็นมารบางเลยนะก็ ก็ยังตัดตัดพ่อหน่อยๆว่าทำไมนี่ไม่การุณาความจริงแล้วเนี่ยพยามารน่ควรจะว่าตัวเองก็ถ้าท่านเนี่ยถ้าถ้าพยามารเนี่ยมีความการุณาต่อคนอื่นเขาสะบ้างเนี่ยก็จะได้รับความการุณาเราทั้งหลายมากเป็นอย่างนั้นนะทำไมคนนั้นไม่ให้อภัยกับเราบ้างทำไมคนนั้นเขาไม่ ทำดีกับเราไม่ให้ทานกับเราไม่พูดจากักเราดีๆไม่ยกย่องเราไม่กรุณามเมตตาเราก็าเราทำขึ้นก่อนสิทำให้มากๆแล้วเราจะได้เองแหละคนเราก็จะเป็นอย่างเนี้ยจะกะเกณให้คนอื่นเขาทำดีให้แกเราให้ความสุขแกเราพระอุบคุเถละจึงกล่าวแสดงเหตุผลว่าดูก่อนพญามารอาตมากับท่านเป็นคู่ทรมานกันไม่ใช่เป็นคู่รักกันนะเป็นคู่ทรมานกัน เพราะเหตุนี้จึงไม่มีการุณาคือถ้าไปการุณาแล้วมันจะทรมานกันทำไมถ้าสงสารกันซะแล้วอัตมาลงโทษแกท่านก็เพื่อจ ะ, ะทำให้ท่านมีจิตศรัทธาเลื่อมใส ย, ยินดีปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเทจ้าทั้งตัวท่านก็เที่ยงแท้ที่จะได้ตัดรู้เป็นพระสัพพัญยูและพระบ ร, รมศ า, ศาสดาก็ได้ตัดพยากรณ์ไว้ว่าอาัตมาคือพระอุปคุตตเถระเนี่ย จะได้ทรมานพยาวัดสวดีมานให้ละพยศหมดความอหังการคือหมดความถือตนเองว่ายิ่งใหญ่สิ้นความร้ายกาจในอนาคตการและพญามาร น, นั้นจะปรารถนาเป็นพระพุทธ เ, ทเจ้าในภายภาคหน้าขอท่านจงตั้งใจละจิตที่เป็นบาปเสียอย่าได้กระทํากรรมอันยาบช้าต่อไปอีกเลยนะก็ให้เขาคือมีทั้งมีทั้งข่มแล้วก็มีทั้งชม คนเราก็ต้องอย่างเนี้จะมาการุณากันได้อย่างไรนะถ้ามาการุณากันแล้วก็ไม่มีใครปราบท่านท่านก็ยิ่งอาหารกาใหญ่ยิ่งถือตัวว่าวิเศษเหนือกว่าคนอื่นลังแก่คนอื่นต่อไปใหญ่เพราะนั้นเมื่อท่านถูกปราบแต่แล้วท่านจะได้เกิดความสำนึกเลื่อมใสว่าโอ้คนที่เขาการุณาเราเนี่ยมีนะคือพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ปรารถนาเป็นพระสมมาธรมพุทธเจ้าอย่างนี้ ความจริงแล้วพระอุบตขเถระก็เป็นผู้มีบุญคุณกับพญามารพระมหาเถระเพรอกล่าวเหตุผลต่างๆให้พญามารได้ฟังแล้วก็มีความประสงค์จะให้พญามารช่วยเนรมิตตนเป็นพระรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ชมเป็นมิ่งขวัญตาคือพระเถระเนี่ยเกิดหลังจากพุทธเจ้าปฏิพานไปแล้วตั้งสองอปีได้เห็นอยู่แต่พระคุณนะอย่างพวกเราเนี่ยก็เห็นพระคุณพระพุทธเจ้า เบื้องต้นก็นโมตัดสักะระวะตัวรหัสตสัมมาสัพพุทธสักก็ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้หมดสิ้นกิเลสคือรู้ว่าพระองค์เนี่ยสิ้นกิเลสเราจึงเคารพเป็นผู้ตัดสรุปอริยศาสต ร, ร์คือปัญญาของพระองค์เนี่ยเราก็รู้แต่ว่าไม่เคยเห็นพระสรีระว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงต้องการจะเห็น ได้กล่าวขอร้องพญามารว่าดูก่อนพญามารท่านช่วยอนุเคราะห์แก่อัตมาสักครั้งหนึ่งเนื่องจากพระบรมศ า, ศาสดาได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกและได้เสด็จดับขันธปรินิพานไปนานแล้วอัตมาได้เห็นแต่พระธรรมวินัยของพระองค์ได้เห็นแต่คําสั่งสอนและข้อบัญญัติไม่ทันได้เห็นพัสรีร่างกายของพระองค์ขอท่านจงเนรมิตกายของท่านเป็นพัสรีร่างกายของพระสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้า และพระอาการทั้งปวงพร้อมทั้งพระอระัครสาวกทั้งคู่ให้อาตมาได้เห็นกับตาด้วยเถิดคือพรามเนี่ยเขาเขาจองเวรไปพุทธเจ้าเขาก็ได้เห็นระพุทธเจ้ามาตลอดเพราะต้องไปเที่ยวตามดูพุทธเจ้าอยู่เจ็ดปีและเขาก็มีฤทธิ์ที่จะสามารถเนรมิตกายได้พญามานได้ฟังคำขอร้องของพระมหาเถระแล้วจึงกล่าวตกลงโดยมีข้อแม้ว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าหากข้าพรเจ้าเนรมิตกายเป็นพระรูปของพระสัมมาสัพพุธ เ, เจ้าให้เห็นประจักษ์กับตาแล้วขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าได้ถวายนามัสการข้าพระเจ้าเป็นอันขาดคืออย่าได้กราบไหว้เป็นอันขาดเพราะเป็นเพียงเนรมิตเท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงคือเป็นตัวปลอมเพราะนั้นอย่าได้มากราบพระมหาเถรนัสก็กล่าวปฏิญาณว่าอาตมาจะไม่ถวายนามัสการจะเพียงแต่ขอชมเฉยเฉยเท่านั้น พญามารจึงเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งเพื่อจะบันดาลอิทธิฤทธิ์ให้เป็นไปตามที่พระมหาเถระขอร้องส่วนพระอุปคุตเถระได้บอกให้พระภิกษุทั้งหลายมาประชุมกันเป็นจำนวนมากโดยเร็วพรันอย่างน่าอาัศจรรย์ด้วยอำนาจฤทธิ์ของท่านท่านก็ อ, อธิษฐานให้ให้ไปบอกนะให้ให้ให้รูปเนริมิตของท่านนะไปบอกในภิกษุรูปใดใครจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระภิกษุรูปนั้น ก็ได้ถือทูปเทียนดอกไม้ของหอมเป็นต้นมาประชุมกันแวดล้อมพระอุ ป, ปคุตัดเถระด้ว ย, ว ย, ว ย, วยความเคารพอย่างแรงกล้าว่าถึงเราได้เห็นรูปเนรมิตรเราก็จะเคารพแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าจะชมพระรูปของพระบรมศาสดาและจะกระทาสักการะบูชา ในการนั้นพญามารเดเดนมิตรกายเป็นพระรูปของพระสมมาสัพพิเตเจ้าอันประกอบด้วยพระมหาบุรุษลักษณะส2ประการคือลักษณะชัดแจ้งเนี่ยประการและอนุพยัญชนะลักษณะย่อยๆอีก80ประการทั้งสว่างรุ่งเรืองด้วยพระฉับพันณรังสีคือสีและรัศมีหประการมีพระอัการสาวกคือภาษาลิบุตรอยู่ทางเบื้องขวา พระโมกขาลานะอยู่เบื้องซ้ายพร้อมกับแวดล้อมด้วยพระอสีติมหาสาวกเป็นสังฆบริวารแวดล้อมด้วยพระมหาสาวกอีกแปดสิบรูปเป็นเป็นเป็นสังฆบริวานแสดงให้ปรากฏแก่มหาสันนิบาตบริษัททั้งปวงอันหนึ่งคำของเกจิอาจารย์คืออาจารย์บางคนบางท่านกล่าวไว้ว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชกับมวลหมู่อมรรดและราชบริพารก็มาคอยทรงทัศนาการอยู่ณสถานที่นั้นด้วย ฝ่ายพระอุปคุตเทระเมื่อได้ เ, เห็นพระรูปของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระมหาสาวกทั้งหลายปรากฏขึ้นดังนั้นก็บังเกิดขนลุกชูชันด้วยอำนาจอจละศรัทธาประสาทะคือความศรัทธาเลื่อมใสเคารพอย่างไม่หวั่นไหวนะคือไม่มีใครที่จะสามารถมาเปลี่ยนศรัทธาของพระอรหันต์ได้อีกแล้วที่จะไม่ให้เคารพ ตัทตาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าก็เกิดความปีตินะมีความเชื่อความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวทําให้ลืมคําปฏิญาณที่ให้ไว้แก่พญามารว่าจะไม่นมัส ก, การพระพุทธเจ้าจึงก้มลงถวายอภิวาทพระรูปของพระมุนีพุาคเจ้าด้วยเบญจางคบดิษฐ์อย่างสนิทใจ คือเห็นแล้วก็ลืมไปเลยว่านี่เป็นรูปเดระมิศเห็นว่าเป็นพระรูปพุทิเจ้าจริงๆพระเจ้าเสด็จมาจริงๆเพราะมีพระอาการเหมือนยังทรงพระชนอยู่และมหาชนทั้งหลายมีพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเป็นประธานก็ทรงกระทำนมสัสการสักการะบูชาโดยพร้อมเพรียงกันเหมือนกันขณะนั้นพยา ม, มารพันบันดาลให้พระรูปของพระบรมศ า, าสดาและพระสาวกทั้งหลายหายไปทันที ครับกลายมาเป็นรูปพญามารปรากฏขึ้นในที่ประชุมชนแล้วได้กล่าวกับพระพบุบกุศลกล่าวกบับพระูุบกุศลตัดเถระว่าทําไมพระผู้เป็นเจ้าจึงถวายอภิวาทเล่าข้าพ เ, เจ้าได้ตกลงสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ให้กระทํานมัตการคือตัวพญามาล ร, นะรู้พอเห็นเขากราบแต่เขาไม่ได้กราบเราเนี่ยเขากราบพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระมหาสาวกเล่าไม่ใช่เนี่ยเราไม่กวนจะรับการกราบครั้งนี้หรอก พระูปตตะเทระจรึงกล่าวตอบว่าพระรูปกรพยามานอาตมาไม่ได้กราบไหว้ท่านทั้งไม่ได้กราบไหว้ท่านหลอกแต่ว่าอาตมากระทําอภิวาสพระรูปของพระบ ร, รมศ า, ศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายต่างหากพระูปภูตก็กล่าวอย่างนั้นก็เป็นจริงอย่างนั้นเพราะท่านะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่และพอเห็นด้วยตาก็ยิ่งยิ่งเรื่อมสายใหญ่นะจำเดิมแต่การที่พยามานตั้งความปรารถนา เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจิตก็มีความอ่อนน้อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่มีความหยาบช้าดุร้ายเหมือนแต่ก่อนนั่นเลยพระอุบคุเถระพิจารณาเห็นความเป็นไปในทางตั้งใจดีของพญามารแล้วจึงกล่าวกับพญามารว่าพวกขอท่านจงไปอย่างมีความสุขสวัสดีเถิดพญามารก็น้อมกายถวายนามัสการพระมหาเถระแล้วก็ลากลับไปสู่เทวะสถาน วิมานของตนสำหรับชีวประวัติของพระอุบคุตัเถระผู้มีมหิตที่เดชานุภาพรูปนี้ตามตำนานไม่กล่าวว่าท่านดับขันธปรินิพานแล้วหรือยังมีผู้เชื่อว่าท่านอาจจะมีชีวิตอยู่ถึงกับหนึ่งก็ได้ด้วยอนุภาพแห่งอิทธิบาทภาวนาคือการเข้าผลลสมาบัติของท่าน หรือเข้านิโรธสมาบัติของท่านเนี่ยดังที่พระผู้มีพภาคเจ้าได้เคยจัดกับพระอนุ์เถระไว้ว่าผู้ใดเจริญอิทธิบาทสีให้มากกระทำให้เป็นญาณกระทำให้เป็นที่ตั้งไว้หนึ่งเนืองสะสมรอบแล้วคือเต็มแล้วและปรารถนาดีแล้วผู้นั้นประสงค์จะอยู่ตลอดกับหรือเกินกว่ากับก็ได้อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลชวนให้เชื่อว่าทุกวันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าท่านเป็นผู้ มี